เมื่อกลงวันนะก็มีหลายท่านได้เข้าไปในเมืองนะเพื่อไปทำวัดตอนจางหวัดจังหวัดก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะว่าตัวเองเนี่ยได้รักษาใจเป็นอย่างไรบ้างกลับมาแล้วก็ควรจะให้คะแนนตัวเองนะว่า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 อารมณ์ที่ภากระทบนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปันนี้ยังดีนะากาศไม่ร้อนพีกอื่นๆนี่ถ้าลงไปข้างล่างนี้จะรู้สึกเลยว่ามันร้อนอ้าวมากแล้วก็จะหงุดหิดขัดเคืองอันนี้เราปฏิฆะส่วนความเพลอดเพลอหลงไหลในสิ่งเรายย้ายวน ที่อดให้ไปเสพไปซื้อไม่ได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าเกิดกรรมชันทะก็เป็นอ่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความลืมตัวลืมตัวในทางที่ผลักไสด้วยความชังไม่ชอบลืมตัวจนเข้าไปขวายข้าครอบครองไยเสพ อันนี้ก็มีค่าเสมอกันนะในแง่ของสติแล้วก็ถือว่าเป็นความลืมตัวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบททดสอบน้อยๆเนะียย่อยๆแล้วก็เพื่อที่จะเตือนให้เราตระหนักว่าสำหรับคนที่บวชเพียงแค่สามเดือนนะเมื่อสึกออกไปนะก็คงจะเจออะไรที่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 ในความรู้สึกของคนส่วนใหญ่แต่ความหงุดอยู่นีเสะนะมันรู้สึกได้ทันทีแล้วว่ารุ่มร้อนนะจิตใจรุ่มร้อนเรอถูกบีบคั้นผู้ชาดนี่ก็ก็จะรู้จักนะเปลี่ยนให้มันเป็นของดีเป็นการบ้านเป็นแบบฝึกหัดนะหรือเป็นอาจารย์ก็ได้นะ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 ว่าเกิดความไม่พอใจก็มีความพูดหนึ่งพุดขึ้นมาในใจทันทีเลยว่าจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะตลอดเป็นพระนะเราต้องไม่โกรธแล้วทา่านก็ความโกรธก็ดับหายไปเลยแล้วท่านก็เดินเข้าไปรับบาทนะจากผู้หญิงคนนั้นด้วยสีหน้าปกติ ภายหลังเวลาท่านพูดถึงเรื่องนี้นะท่านก็จะพูดว่าเด็กคนนั้น่ะคืออาจารย์ของท่านนะเด็กคนที่พูดจาห ย, ยาบคายกับท่านเนี่ยท่านถือว่าเป็นอาจารย์มาเป็นอาจารย์ท่านในแง่ที่มาเตือนให้ท่านรู้ว่าท่านยังต้องต้องฝึกฝนในเรื่องใดบ้างเพราะว่าท่านเผลอนะเผลอโกรธไป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 ก็กลับมารู้ทันใจของตัวเองแล้วก็สามารถเที่จเปลี่ยนคําพูดหรือการกระทํานั้นให้กลายเป็นของดีนอกปฏิจากนี่ต้องฉลาดนะั้นในการที่จะเปลี่ยนคนที่ต่อว่าเราให้กลายเป็นอาจารย์ไม่ใช่มองเขาเป็นศัตรูแต่เปลี่ยนให้กลายเป็นอาจารย์เลยะมันก็ที่ท่านหลวงพ่อพุธท่านมองเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์ของท่าน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 มองเขาเป็นอาจารย์ที่สอนให้เรามีสตินะทำให้เราได้ทำให้เราได้เห็นเวทนาที่เกิดขึ้นฝึกให้เราได้รู้ท่าทันทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นหรือว่าเมื่อเราเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจมันก็ทำให้เราได้มีการบ้านได้เรียนรู้ที่จะเท่าทันความหงุดหงิดนั้นถ้าเราสบายอยู่ในห้องแอร์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 มองสิ่งที่มากระทบที่เป็นอนิธารลมคำพูดการกระทาที่ไม่น่าพอใจนะให้เป็นให้เป็นแบบฝึกขัดให้เป็นการบ้านของเราเราจะมองว่าสิ่งที่มากระทบเรานี้เนะี่ยเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นของดีก็ได้เราต้องฉลาดนะในการที่จะเปลี่ยนคำพูดคำตอว่าด่าทอให้กลายเป็นธรรมเป็นของดี สมัยหนึ่งหลวงพ่อทองรัตน์นะกันตาศรีโลนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกเล็กๆของหลวงปู่มัน่นท่านมีบุ ค, คลิกที่เรียกว่าผงผางนะพูดจานี่ก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าใจท่านนี่นมั่นคงหนักนน่นเรียกว่าท่านบรรลุธรรมขั้นสูงทีเดียวแต่คนก็ไม่ค่อยเข้าใจท่านบางทีท่านพูดกับญาติโยมเนี่ยโดยพ่อที่รู้จักกันดีท่านก็พูดแบบ เป็นกันเองก็มีบางคนที่ไม่พอใจวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาตก็มีโยมเนี่ยเขียนบัตรสุนเทใส่บาตรท่านท่านรู้เลยนะว่าไอ้บาตรนั้นเนี่ยไอ้กระดาษที่ย่อนลงไปเนี่ยมันคืออะไรพอไปถึงวัดนี่ท่านก็นะหมจีวรแล้วก็นุ่งสังขติอย่างดีเลยนะผ้าสังขติอย่างดีเลย เราก็เล็กเนนมาบอกว่าลูกๆลูกเน네นมันนี่นะมาอ่านให้ฟังหน่อยนะมีของดีนะวันนี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาละวันนี้ได้รับอมฤตธรรมจากเทวดาละนะหายากนะเนี่ยมาอ่านให้ฟังหน่อยอันเี้ก็อ่านให้ฟังนะข้อความที่เขาเขียนทำนองวันเนี่ยพระผีบ้านะไม่มีศีลไม่มีไม่มีความสำรวมไม่มีศีล ไ, ไม่มีไนินประจบสอพอชาวบ้าน าพาแบบนี้แม้จะเหาเฮินเดินอากาศได้ก็ไม่เคารพให้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะเอาลูกตะกรวดมาฝากมาสนเทนะพอเนร์นอ่าน จ, จบนะหลวงพ่อทองรัตท่านก็บอกนะวันนี้ของดีนะเนี่ยนะเก็บใส่เก็บใต้ฐานภาพไว้เลยนะเอาเมลิตธรรมจากเทวดาเชื่อแหละนะเพิ่งรู้วันนี้เองนะว่าโลกธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนนี่ ได้ยินแต่เขาพูดกันว่าเนี่ยโลกธรรมคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศได้สารเสนินทาสุขทุกข์นะแต่วันนี้นี่ได้เห็นของจริงเลยนะเก็บเอาไว้เลยนะหายากนยะ่างยคำด่านะท่านไม่โกรธนะแต่ท่านกลับมองว่ามันเป็นธรรมอมลิตนะจากเทวดาเลยท่านไม่ได้เห็นท่านไม่ได้มองว่าคนที่เขียนคำ ส, สนเทศ บัตรสนเทศด่าว่าท่านนี่เป็นเป็นคนไร้คนเลวนะมองเป็นเห็นเป็นเทวดาไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวิสัยของบัณฑิตวิสัยนักปฏิบัติธรรมนะต้องฉลาดในการเปลี่ยนนะคำต่อว่าตาทอให้กลายเป็นธรรมะนะที่สอนหรือเปิดใจให้เราเห็นหรือเกิดปัญญาขึ้นมาสอนอย่างน่าก็สอนเรื่องโลกธรรมได้ หลวงพ่อพุธนี่ท่านมองเด็กคนนั้นเป็นอาจารย์ส่วนหลวงพ่อทองรัตน์นะท่านมองคําต่อว่าด่าทอให้กลายเป็นอมริต ธ, ธรรมจากเทวดานี่เรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะเปลี่ยนของเลวเป็นของไม่ดีให้กลายเป็นของดีได้หลวงพ่อคาเขียนนั้นเคยพูดว่าเนี่ยภาวนานะก็คือการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี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 ความโกรธเปลี่ยนเป็นความไม่โกรธได้อย่างไงนะก็เมื่อเจอสติสตินี่มันเข้าไปเปลี่ยนนะความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความลงให้กลายเป็นความรู้นะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกได้เราต้องฉลาดนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ภายนอกหรืออารมณ์ภายใน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 แม้แต่อย่าว่าแต่อารมณ์ที่ทําให้เกิดความหมุดหงิดเกิดปฏิกะเลยนะอารมณ์ที่ทําให้เกิดการมฉันทะนะคือร่อรายร้อยย่อโนให้เกิดความหลงไหลความเพลิดเพลินนะอย่างที่ได้เล่าถึงานนารพระนักสมมาหพระนักสมมาที่ท่านเห็นหญิงฟ้อนรําซึ่งสําหรับหลายคนเห็นแล้วก็เกิดราคะแต่ว่าท่านมองเลยนี่ นะท่านสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นธรรมะได้ว่าโอ้นี่แหละนะมันเป็นบ่วงแห่งมาเป็นบ่วงแห่งมัจจุราชนะถ้าใครตกไปถ้าใครหลงไปนะก็เสร็จมันทาให้ท่านเห็นโทษของสังขารนะว่ามันเต็ไมไปด้วยโทษเป็นนันตรายเห็นพอเห็นอย่างจําแจ้งนี้จิตก็หลุดพ้นเลยนะจิตก็หลุดพ้นนะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์เลยจากภาพที่สามารถจกระตุ้นให้เกิดราคะ หรือกรารมาฉันทะนะแก่คนทั่วไปได้หรือท่านสุนทรสมุที่ถูกเล่าโลมนะด้วยผู้หญิงที่ที่สวยที่แต่งตัวสวยงามนะแล้วก็อยากจะได้ท่านมาเป็นสามีนะล่อลอกด้วยลูบด้วยรับนะจะยกรับสมบัติให้ด้วยนะแต่ว่าท่านกลับเห็นว่านี่แหละนะมันคือทุกข์นะ สิ่งที่เห็นตอนน้าเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงทุกอย่างชัดเจนของสังขารที่ไม่น่าจะไม่ควรจะหลงไม่ควรจ ะ, ะยึดเลยพอท่านเห็นนี้ปัญญาก็เกิดกับท่านอย่างจำแจง้งเห็นสิ่งผิดให้กลายเป็นธรรมะก็จะเห็นสิ่งที่ย่อรายเย้ายวนให้กลายเป็นธรรมะก็ได้ น, น, รรไดนี่เรียกว่าเปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีคนที่เป็นนักภาวนา น, นี่ต้องต้อ ง, ต, องต้องฉลาดนะในการเปลี่ยนแบบนี้นะ คนภายนอกหรือว่าโลกเนี่ยในคนทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงเปลี่ยนร่ายกายเป็นดีคือไปจัดการกับสิ่งนั้นไปจัดการกสิ่งไล่ไลนั้นเช่นเสียงดังก็ไปดับเสียงเั้นเสียไปหยุดเสียงเงินเสียอากาศร้อนนะก็เปลี่ยนให้กลายเป็นอากาศเย็นซะเปลี่ยนร่ายกายเป็นดีของสําหรับคนทั่วไปคือเข้าไปจัดการกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นแต่ว่า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 แตเปลี่ยนที่ใจนะคือมองว่าเนี่ยเออันนี้แหละคือแสงสว่างนี่คือน้ําทิศนี่ขนาด อ, าอ่าหัวนักพยาบาลคนนี้แกไม่ใช่นักภาวนานะแต่ว่าอาหรือไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแต่ว่าเธอก็ฉลาดพอนะที่จะเปลี่ยนและให้กลายเป็นดีได้ให้เาหราซึ่งไม่นนักปฏิบัติธรรมหรืออ้างตัวเป็นนักภาวนานี่ต้องต้องทําได้ไม่น้อยไปกว่านี้นะหรือว่าทําได้มากกว่า น, นั้น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 อิทธารมก็เช่นเดียวกันนะก็ต้องหาประโยชน์ทาให้ได้อิทธารมที่มันเป็นลบหรือว่าที่มันเป็นสิ่งที่กระตุ้นราคะก็เปลี่ยนให้กลายเป็นของดีนะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นทุกข์กับอิทธารมเท่าไหร่มันเป็นทุกข์กับอนิธารมมากกว่านะเสียงดังคำติชินนินทาการกระทาที่อ่ไม่แสดงความเคารพหรือว่า ความเจ็บป่วยความสูญเสียพัดพรากนะเงินหายของหายนะ น, นักภาวนานีนะจะไม่ทุกขนะ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะมองว่านี่เขากำลังแสดงธรรมให้เราเห็นนะเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่จีหลังของสิ่งต่างๆเป็นของดีแล้วเนี่ยนะเือนกับที่หลวงพ่อทองรัดนะท่าน บอกเนนว่าเนี่ยของดีแล้วเนีอมริตธรรมจากเทวดาถ้าเราลองมองว่าเงินหายของหายนี่นะมันก็เป็นธรรมะที่เทวดาส่งมานะเพื่อให้เราได้เข้าใจเรื่องอ น, นิจจังเพื่อเราได้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงหรือมันเป็นเครื่องเตือนใจว่านี่วันนี้นี่ยังดีนะที่เจอแค่นี้นะต่อไปจะเจอหนักกว่านี้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 อาคำเดียกัพูดกัอนท่อนนี้นะเอากลับ